เพราะฉะนั้นท่านจึงมีเปรียบเหมือนอย่างตะกอนทิ่นอนอยู่ก้นตุมน้ำในตุมก็ดูใสสะอาดในเมื่อตะกอนนั้น นอนอยู่ก้นตุ่มเฉยๆไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ไม่ขุนเหมือนอย่างว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีตะกอนอยู่จิตของบุคคลที่เป็นบุถุชน สามัญทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นแม้ในขณะที่กิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไร ต้องการในอะไรหรือบางทีปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ทำจิตให้บริสุทธิ แต่ว่ายังละอาสะวะดังกล่าวนี้ไม่ได้แต่ว่ากดทับอาสะวะไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกเหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลส ในครั้งพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นได้มีภิกษุบางรูปบางกลุ่มซึ่งได้ออกไปปฏิบัติสมณธรรม ในป่าก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่กดอาสวะเอาไว้ตบอาสวะเอาไว้จนทำให้ภิกษุเหล่านั้นรู้สึกว่า ตนสิ้นกิเลสหมดแล้วจึงได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับพุทธพยากรเพราะในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประธานพุทธพยากร ว่าทันองค์ใดสิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอระหันต์แล้วก็เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลายของพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุกลุ่มนั้นก็ไดงไม้เข้าข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงการปฏิบัติของตน เพือให้ทรงพยากรณ์พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ายังไม่สิ้นกิเลส ท, ที่เป็นอาสวะดังกล่าวยังยังไม่ให้เข้าเฝ้าได้ตรัสสั่งให้ไป ในป่าชาผีดิบซึ่งในครั้งพุทธากาลนั้นผู้ที่ตายก็ต้องนำเอาทิ้งไว้ในปัาชาผีดิบและสำหรับที่จะให้สับประเรอเป็นผู้จัดการเผาต่อไป ภิกษุเหล่านั้นก็ได้เข้าไปในประชาผิดิบเมื่อได้เห็นศพที่ยังสดชื่นกามที่เป็นการมาสะวะก็โผล่ขึ้นมาเป็นความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้น จึงได้รู้สึกตนเองว่ายังไม่สิ้นกิเลสจึงได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปจนเมื่อสิ้นกิเลสจริงๆแล้วได้กลับไปฝ้าพระพุทธเจ้าใหม่จึงได้ปลดให้เข้าเฝ้าและได้ประทานพุทธภยากรในครั้งพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าเองได้เป็นผู้ประธานพุทธพยากรแก่พระสาวกท่านพงค์ดที่สิ้นกิเลสอันหมายถึงสิ้นอาสวะดังกล่าวนี้แล้วก็ตรัสพรยากรว่าเป็นผู้เศรษกิจแล้ว ซึ่งก็เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลายของพุทธบริษัททั้งหลายดังกล่าวและว่าหลังจากพุทธบรินิพาน์แล้วไม่มีภูพยากรแต่ก็ ได้มีภูที่นับถือพยากรกันเอาเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านที่กล่าวกันว่าท่านสำเร็จชั้นนั้นสำเร็จชั้นนี้ต่างๆนั้น ก็ล้วนแต่ผู้เคารพนับถือเป็นภูพยากรณถวายท่านทั้งนั้นจึงได้ปรากฏเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันว่ามีพระอริยะมังเกิดขึ้นที่นั่นมังเกิดขึ้นที่นี่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นีน่ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมา กันหลายองค์หลายท่านจนล้นเป็นภูที่ภูนับถือพยากรถวายท่านทั้งนั้นซึ่งภูพยากรคือภูนับถือทั้งหลายนั้นอันที่จริงก็ไม่ใช่เป็นภูรู้เป็นภูเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่า เมื่อได้ฟังธรรมของท่านผู้ที่ตนเคารพนับถือได้เห็นอากัปกิริยาความสํารวมระวังของท่านก็เกิดความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็ น, นับถือเลยเข้าไปถึงว่าท่านสำเร็จแล้วเราถวายพยากรท่านเป็นโน่นเป็นนี่คือพากันตั้งถวายท่านให้เป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆแต่ตามประวัตินั้นภายหลังพุทธทนิพน์แล้วแม้ท่านจะเป็นพระอรหรันต ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพยากรเอาไว้แล้วซึ่งมีชีวิตอยู่หลังจากพุทธปริิพันดังเช่นพระมหากัสฐะเทระพระอนุตเทระก็ไม่ปรากฏว่าท่านพยากรใคร แม้ท่านพระอนุเทระอีกตามพุทธประวัติแสดงว่าสำสุทันธ์สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ในราตรีก่อนที่จะถึงวันเริ่ ม, รรรมประทรบปฐมสังคายนาหลังจากพุทธบริพารแล้ว ก็เป็นที่รับรองกันในหมู่พระอระหันต์ทั้งหลายเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้มีพระอระหันรูปใดจึงได้รับพุทธพยากรณ์แล้วได้กล่าวพยากรณ์เอาไว้แต่ว่าท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นท่านจึงรู้จึงเห็นจึงทราบภูมิธรรม ในจิตใจของผู้ที่มันโลกภูมิธรรมถึงขั้นเดียวกันได้เพราะฉะนั้นอาสวะนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและอาสวะคือกามนี้ก็หมายถึงกามที่เป็นอย่างละเอียดอันมีอยู่ในจิตใจ เหมือนอย่างตะกอนที่นอนก้นตุ่มดังกล่าวนั้นซึ่งบุตุชนสามัญญชนย่อมมีอยู่ด้วยกันอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ตั้งแต่ปฐมมจิตปฐมวิญญาณในคันของมารดา คือเกิดมาก็มีอาสวะติดมาด้วยภาวะสวะอาสวะคือพบก็ได้อธิบายแล้วเริ่มตั้งแต่ความเป็นเราหรือว่าเราเป็นเรามี อันฝังอยู่ดองอยู่ในจิตใจของทุกๆคนอาวิชาสวะอาสวะคืออาวิชาก็ได้แก่ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเป็นต้นดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้ว เป็นความไม่รู้ที่ตั้งอยู่ในความรู้คือทุกๆคนที่เกิดมานี่มีจิตซึ่งเป็นธาดรู้ก็มีตัวความรู้อยู่แต่ว่าความรู้ที่มีอยู่นี่เป็นความรู้ผิด เป็นความรู้หลงนั่นก็เพราะว่ายังเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชารู้แต่ว่าเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชาแต่ว่าตนเองนั่นไม่รู้จัก ตัวอวิชชาที่มีอยู่ในความรู้ของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้เพื่อให้ทราบแม่อวิชชาดังกล่าวนี้ ก็เป็นตัวความไม่รู้อย่างละเอียดที่มีอยู่ในตัวความรู้ทําให้ความรู้ของทุกคนเป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลงไม่ใช่เป็นความรู้จริงยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างความรู้ทางตา เท้าขึ้นก็มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะ ว, วันออกแล้วขึ้นสูงๆขึ้นเย็นลงก็อาทิตย์ตกทางทิศตะ ว, วันตกก็รู้ว่าอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกอาทิตย์โคจรไปดังนี้ และโลกนี้ก็รู้สึกว่าอยู่เฉยๆเป็นของที่แบนอยู่กับที่แต่เมื่อความรู้ในภูมิศาสตร์ของโลกของบุคคลเจริญขึ้นได้แสดงไว้ตรงกันข้าม ดังที่ผู้ศึกษาในปัจจุบันทราบกันอยู่แต่ว่าความรู้ที่แสดงในปัจจุบันดังกล่าวนี้มองไม่เห็นด้วยตาแม้จะสอนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่า เขาที่มองเห็นด้วยตารู้ด้วยตาก็ยังเห็นน่ะคิดขึ้นทั้งทิตวันออกเวลาเช้าตกทั้งทิตตะวันตกในเวลาเย็นอยู่นั่นเองอาทิตย์โคจร อ, อยู่ทุกวันดังนี้แต่ความจริงนั้นตรงกันค้ับดังที่ผู้ศึกษาทราบเันอยู่แต่ว่าข้อที่ตรงกันข้ามนี้มองไม่เห็นด้วยตาไม่รู้ด้วยตา แต่ว่ารู้ด้วยความรู้ตามเหตุตามผลเพราะฉะนั้นความรู้ที่เป็นตัววิชาจริงๆนี่แม้ในทางภูมิศาสตร์ของโลกก็ยังไม่ปรากฏทางตาทางหูของคนแต่ว่าปรากฏด้วยความรู้อันเป็นความรู้จริง ซึ่งพิสูจน์ได้ในทางต่างๆและก็เป็นที่รับรองกันตังนั้นความรู้ทางตาจึงเป็นอย่างหนึ่งความรู้จริงนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งคนเรานั่นได้อาศัยความรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางมรณะคือใจ ือคิดเอาเองกันอยู่ดังนี้เป็นพื้นซึ่งไม่จะเป็นความรู้จริงแต่ความรู้จริงนั่นก็ต้องอาศัยตาหูเ่านี้แหละแต่ต้องมาพินิษพิจารณาที่เรียกว่าดูแล้วก็ต้องมาคิดคิดแล้วก็ต้องมาปฏิบัติมากระทําต่างๆ ยังจะเป็นตัวปัญหความรู้จริงขึ้นในทุกๆสิ่งเป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นอวิชชานี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ายังมีอวิชชาแต่ถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะหลงว่าเรารู้แลเรารู้แล ในสิ่งทั้งหลายต่างๆอยู่เสมอแลวิชาที่เป็นอาสวะนี้ก็มีอยู่ดองกิจตสันดานของบุคคลอยู่แม้ในส่วนที่เป็นอนุัยอีกชื่อหนึ่งราคาอนุัสราคะก็หมายถึงความติดใจที่เป็นราคะอย่างละเอียด ปฏิคานอนุสายอนุสายคือปฏิคาความกระทบกระทั่งก็หมายถึงความระทบกระทั่งอย่างละเอียดอวิชานุสัยอนุสายคืออวิชาก็เป็นอวิชาอย่างละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วดังนั้นเป็นอันว่าสามั ญ, ญชนหรือบุตุชนทั้งหลายย่อมมีอาสวะมีอนุสาย ดองจิตสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานมาตั้งแต่ปฐมมจิตปฐมวิญญาณในขันของมารดาติดมากับปฏิสนธิจิตคลอดออกมาเป็นเด็กก็มีอาสวะมีอนุใส่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ อาจารณะภายในภายนอกเจเริญขึ้นเติบโตขึ้นอาสวะอนุัยที่ดองกิตสิชนานอยู่นี่เมื่อถูกอารมณ์มากระทบเหมือนอย่างตะกอนที่ถูกกวนก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางคือเป็นนิวอน หรือเป็นปริยุท ธ, ธานะกิเลสที่ปล้นจิตทำจิตให้กลัดกลมบูญวายยก อ, อนุสัยเป็นที่ตั้งราคาอนุสัยอิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดางคือราคะเมื่อถูกกระทบด้วยอารมณ์ ทางตาทางหูเป็นต้นคือได้เห็นได้ยินรูปเสียงเป็นต้นที่น่ารักใครประถนาพอใจก็กวนตะกอนคือราคานุสัยนี่คือตัวราคะที่มีอยู่เป็นต้นเดิมในจิตใจนี้ให้ฟุ้งขึ้นมาทำจิตใจให้บังเกิดความรู้สึก กำหนัดยินดีรักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆในรูปในเสียงเป็นต้นก็เป็นนิวรณขึ้นในจิตใจและเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่เมตนารักใครปรารถนาพอใจปฏิคาอนุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่ง ซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนี้ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโกธะความโกรธหรือโทสะความรูุสึร้ายใจคือขัดใจเป็นนิวรณ์ขึ้นในใจเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่เป็นกลางๆไม่พอที่จะให้ เกิดรักใครยินดีหรือเกิดความขัดใจขัดเคืองหงุดหงิดแต่เพราะว่าไม่รู้ความเกิดขึ้นไม่รู้ความดับไปไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้วิธีที่จะสลัดออกเล่นออก เอาวิชาคือความไม่รู้ซึ่งเป็นอนุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโมหะคือความหลงคือความหลงถือเอาผิดจากความเป็นจริงก็เป็นนิวรนขึ้นในจิตใจดังที่มีแสดงไว้ ่ากามาชันก็คือราคะนั่นเองฟุ้งขึ้นมาเป็นการมาชันความพอใจรักไล่ในกามปฏิฆะก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นพยาบาทแต่พยาบาทในที่นี้หมายถึงแค่ความขัดใจหงุดหงิดขัดเคืองยังไม่ถึงมุ่งร้ายออกไปแก่ใครขัดใจขึ้นในใจ ขัดเครื่องงุดกิดขึ้นในใจและวิชาก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความง่วงงูลเคลิบเคลิม่มความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจความสงสัยลังเลใจต่างๆแต่ว่าความรำคาญใจนี้บางท่านก็จัดเป็นเข้ากองโทสะ นี้ก็เป็นกิเลสอย่างกลางบังเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจตัวเองก็มีความรู้สึกว่าตัวมีอยู่มีการมาฉันอยู่มีความหงุดหงิดโกดรธแค้นขัดเคืองอยู่มีความงุ่วงวุ่นเคลิบเคลิ้มอยู่มีความเคลื่อบแคลงมีความฟุ้งซ่านลาคัญใจอยู่มีความเคลื่อบแคลงสงสัยอยู่ แต่ยังไม่แสดงออกไปทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นตัวทวารเป็นกรรมคราวนี้กิเลสอย่างกลางนี้เมื่อแรงขึ้นไปอีกก็เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นวีติกมะให้ลวงละเมิดก็ได้แก่ตัวราคะที่เป็นความกำหนัดยินดีหรือเป็นกรรมฉันนั้นหรือเป็นโลภ ค, ความโลภอยากได้ ก็แรงขึ้นเป็นอภิชาโลบเพ่งเล็งเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนโสะความโกรธแค้นขัดเคืองซึ่งเดิมก็ปทุสรายใจของตัวเองให้เดือดร้อนก็แรงขึ้นเป็นพยาบาทมุ่งที่จะทำร้ายเขาว่าร้ายเขาต่างๆที่จะทำลายเขาออกไปให้พินาศ โมหะคือความหลงถือเอาผิดนั้นแรงขึ้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมก็เป็นมโนกรรมไยอากุศลและกรรมมดดังที่ได้แสดงแล้วก็เป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบมีปรากฏออกมาทางไตรทวารเริ่มตั้งแต่มโนทวาน กายทวารวจีทวารเป็นกายกรรมมจีกรรมมนุกรรมไฟอคูศลทั้งหลายที่คนทั้งหลายนี้พากันประกอบกระทำกันอยู่ก็เพราะว่ากิเลสนี้เองกําเริบขึ้นมาเป็นอย่างแรงเหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุ่มนั้นถูกคนให้ฟุ้งขึ้นมาก็ทําให้น้ําในตุ่มนั้นขุนจนถึงขุนมาก และเมื่อถู ก, กวนคนมากขึ้นน้ำในตุ่มนั้นก็กระเพื่อมจนถึงกระเพื่อมออกไปจากตุม่มหกไปจากตุม่มออกไปเรียราดอยู่ในภายนอกจากตุม่มกิเลสในใจของบุคคลก็เป็นเช่นนี้ มีอาสวะอนุสัยที่เป็นอย่างละเอียดอยู่และเมื่อกระทบอารมณ์ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นอย่างกลางเป็นอย่างหยาบ ก, ก็ปรากฏเป็นกายกรรมกิเกรรมโนกรรมที่ประกอบประธทรรมกันในทางที่ผิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมกิเลสบางวิตกรรมกิเลสบางดังที่ได้แสดงแล้วเพราะฉะนั้น าระหันนั้นจึงมีคำเรียกว่าขีณาสะวะภูมิอาสะวะสิ้นแล้วคือไม่ใช่ว่าสงบได้จากกิเลสที่เป็นอย่างหยาบกิเลสที่เป็นอย่างกลางซึ่งคนซึ่งปฏิบัติในศีลก็สามารถที่จะ งดเว้นจากกิเลสอย่างยังหยาบได้ปฏิบัติในสมาธิได้สมาธิก็สงบกิเลสอย่างกลางได้แต่ว่ายังไม่ได้ปัญญาที่ตรัสรู้ในสัจจะที่เป็นความจริงอันเป็นเหตุละกิเลสได้หมดสิน้นก็แปลว่ายังมีอาสวะอยู่เมื่อยังมีอาสวะอยู่ ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แม้จะได้ศีลได้สมาธิหรือได้ปัญญาอย่างสามัญที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ครอบงำบรรดากิเลส อ, อ, อย่างกลางอย่างหยาบไว้ได้